หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้แหละอย่าใส่ใจกับอะไรทั้งนั้นใครจะยืนเอาก้นขึ้นฟ้าก็ช่างอย่าไปเอาใจใส่อยู่แต่กับลมหายใจเข้าออกให้ความรู้สึกกำหนดอยู่กับลมหายใจทำอยู่อย่างนี้แหละไม่ไปเอาอะไรอื่นไม่ต้องคิดว่าจะเอานั่นเอานี่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นให้รู้จักแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพุทธเข้าโทออก อยู่กับลมหายใจอย่างนี้แหละเอาอันนี้เป็นอารมณ์ให้ทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งลมเข้าก็รู้จักลมออกก็รู้จักลมเข้าก็รู้จักลมออกก็รู้จักให้รู้จักอยู่อย่างนั้นจนจิตสงบหมดความราคาญไม่ฟุ้งซ่านไปไหนทั้งนั้นให้มีแต่ลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าอยู่เท่านั้นให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ยังไม่ต้องมีจุดหมายอะไร นี่แหละเบื้องแรกของการปฏิบัติถ้ามันสบายถ้ามันสงบมันก็จะรู้จักของมันเองทำไปเรื่ อ, อยๆลมก็จะน้อยลงอ่อนลงกายก็อ่อนจิตก็อ่อนมันเป็นไปตามเรื่องของมันเองนั่งก็สบายไม่ง่วงไม่งงกไม่หานอนจะเป็นอย่างไดดูมันคล่องของมันเองไปทุกอย่าง นิ่งสงบจนพอออกจากสมาธิแล้วจึงมานึกว่าบะมันเป็นอย่างใดหนอแล้วก็นึกถึงความสงบอันนั้นไม่ลืมสักทีสิ่งที่ติดตามเราเรียกว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเราจะพูดอะไรจะทําอะไรจะไปนั่นจะมานี่จะไปบินธบาทก็ดีจะฉันจังหันก็ดี จะล้างบาตก็ดีก็ให้รู้จักเรื่องของมันให้มีสติอยู่เสมอติดตามมันไปให้ทําอยู่อย่างนี้เมือ่อจะเดินจงกรมก็ให้มีทางเดินสักทางหนึง่งจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นไม้ต้นนั้นก็ได้ให้ระยะทางมันยาวสักเจ็ดหรือแปดวาร์เดินจงกรมมันก็เหมือนกับทําสมาธิ ให้กำหนดความรู้สึกขึ้นในใจว่าบัดนี้เราจะทำความเพียรจะทำจิตให้สงบมีสติสัมปชัญญะให้กลา้าการกำหนดก็แล้วแต่ละคนตามใจบางคนออกเดินก่อนก็แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสารพัดอย่างแล้วก็ก้าวเท้าขวาออกก่อนให้พอดีพอดีให้นึกกุทโธพุธโทพธโธตามการก้าวเดินนั้นให้มีความรู้ในอารมณ์นั้นไปเรื่อย ถ้าใจเกิดฟุง้งซ่านหยุดให้มันสงบก้าวเดินใหม่ให้มีความรู้ตัวอยู่เรื่อยๆต้นทางออกก็รู้จักรู้จักหมดต้นทางกลางทางปลายทางทําความรู้นี้ให้ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนี่เป็นวิธีธรรมกําหนดเดินจงกรมเดินจงกรมก็คือเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมไม่ใช่ของง่ายนะ บางคนเห็นเดินไปมาเหมือนคนบ้าแต่หารู้ไม่ว่าการเดินจงกรมเนี่ยทำให้เกิดปัญญานักละ่ะเดินกลับไปกลับมาถ่าเหนื่อยก็หยุดกำหนดจิตให้นิ่งกำหนดลมหายใจให้สบายเมื่อสบายพอสมควรแล้วก็ทำความรู้สึกกำหนดการเดินอีกแล้วอิริยาบถมันก็เปลี่ยนไปเองการยืนการเดินการนั่งการนอนมันเปลี่ยนคนเราจะนั่งรวดเดียวไม่ได้ ยืนอย่างเดียวไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะต้องอยู่ตามอิริยาบถเหล่านี้ทำอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ให้มีประโยชน์ให้มีความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้นี่คือการทำทำไปทำไปมันไม่ใช่ของ ง, ง่ายๆหรอกถ้าจะพูดให้ดูง่ายก็นี่เอาแก้วใบนี้ตั้งไว้นี่สองนาที ได้สองนาทีก็ย้ายไปตั้งไว้นั้นสองนาทีแล้วก็เอามาตั้งไว้นี่ให้ทําอยู่อย่างนี้ทําไปทําไปทําจนให้มันทุกข์ให้มันสงสัยให้มันเกิดปัญญาขึ้นนี่คิดอย่างใดหนอแก้วยกไปยกมาเหมือนขนบ้ามันก็จะคิดของมันไปตามเรื่องใครจะว่าอะไรก็ช่างยกอยู่อย่างนั้นสองนาทีนะอย่าเพลอไม่ใช่ห้านาทีพอสองนาทีก็เอามาตั้งไว้นี่กําหนดอยู่อย่างนี้ นี่เป็นเรื่องของการกระทำจะดูลมหายใจเข้าออกก็เหมือนกันให้นั่งขาขวาทับขาซ้ายให้ตัวตรงสูดลมเข้าไปให้เต็มที่ให้หายลงไปให้หมดในท้องสูดเข้าให้เต็มที่แล้วปล่อยออกให้หมดปอดอย่าไปบังคับมันลมจะยาวแค่ไหนจะสั้นแค่ไหนจะค่อยแค่ไหนก็ช่างมันให้มันพอดีพอดีกับเรานั่งดูลมเข้าลมออกให้สบายอยู่อย่างนั้น อย่าให้มันหลงถ้าหลงก็ให้หยุดดูว่ามันไปไหนมันจึงไม่ตามลมให้หามันกลับมาให้มันมาแล่นตามลมอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็จะพบของดีสักวันหนึ่งหรอกให้ทำอยู่อย่างนั้นทำเหมือนกับว่าจะไม่ได้อะไรไม่เกิดอะไรไม่รู้ว่าใครมาทำแต่ก็ทำอยู่เช่นนั้นเหมือนข้าวอยู่ในฉาบแล้วเอาไปหวานลงดินทำเหมือนจะทิ้งหวานลงในดินทั่วไปโดยไม่สนใจมันกลับเกิดหนอ่อเกิดกล้า เอาไปดำกลับได้กินข้าวเม้าขึ้นมาอีกนั่นแหละเรื่องของมันอันนี้ก็เหมือนกันนั่งเฉยๆบางครั้งก็จะนึกว่าจะนั่งเฝ้าดูมันทำไมนะลมนี่นะถึงไม่เฝ้ามันมันก็ออกก็เข้าของมันอยู่แล้วมันก็หาเรื่องคิดไปเรื่อยแหละมันเป็นความเห็นของคนเรียกว่าอาการของจิตก็ช่างมัน พยายามทำไปทำไปให้มันสงบเมื่อมันสงบแล้วลมจะน้อยลงร่างกายก็จะอ่อนลงจิตก็อ่อนลงมันจะอยู่พอดีของมันจนกระทั่งวันนั่งอยู่เฉยๆเหมือนไม่มีลมหายใจเข้าออกแต่มันก็ยังอยู่ได้ถึงตอนนี้อย่าตื่นอย่าวิ่งหนีเพราะคิดว่าเราหยุดหายใจแล้วนั่นแหละมันสงบแล้วไม่ต้องทำอะไร นั่งเฉยๆดูมันไปอย่างนั้นแหละบางทีจะคิดว่าเอเรานี่หายใจหรือเปล่าเนา อ, อย่างนี้ก็เหมือนกันมันคิดไปอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ช่างมันปล่อยไปตามเรื่องของมันไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นให้รู้มันดูมันแต่อย่าไปหลงไหลกับมันทำไปทำไปทำให้บ่อยๆไว้ฉันจังหันเสร็จเอาจีวรไปตากแล้วเดินจงกรมทันที นึกพุโทโธพุธโทโธไว้นึกไปเรื่อยตลอดเวลาเดินไปเดินไปนึกไปให้ทางมันศึกลึกไปสักครึ่งแข้งหรือถึงหัวเขา่าก็ให้เดินอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เดินยกแยกัยกยกักยักคิดโน้นคิดนี่เที่ยวเดียวแล้วเลิกขึ้นกุฏิมองดูพื้นกระดาษเออมันน่านอนก็ลงนอนกลนครอครออย่างนี้ก็ไม่เห็นอะไรเท่านั้นทําไปจนขี้เกียจทําขี้เกียจมัน จะไปสิ้นสุดที่ไหนหามันให้เห็นที่สุดของขี้เกียจมันจะอยู่ตรงไหนมันจะเหนื่อยตรงไหนมันจะเป็นอย่างไรก็ให้ถึงที่สุดของมันจึงจะได้ไม่ใช่จะมาพูดบอกตัวเองว่าส ง, งบส ง, งบส ง, งบแล้วพอนั่งปุ๊บก็จะให้มันสงบเลยครั้นมันไม่ส ง, งบอย่างที่คิดก็เลิกขี้เกียจถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีวันได้ส ง, งบแต่พูดนะมันง่ายหากทาแล้วมันก็ยาก เหมือนกับพูดว่าฮทำนาไม่เห็นยากเลยไปทํานาดีกว่าครั้นพอไปทํานาเข้าวัวก็ไม่รู้จักควายก็ไม่รู้จักคลาดไถก็ไม่รู้จักทั้งนั้นเรื่องการทําไร่ทานาเนี่ยถ้าแค่พูดก็ไม่ยากแต่พอลงมือทําจริงๆสิจึงรู้ว่ามันยากอย่างนี้เองหาความสงบอย่างนี้ใครๆก็อยากสงบด้วยกันทั้งนั้น ความสงบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ทันจะรู้จักมันจะตามจะพูดกันสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักขึ้นมาได้หรอกฉะนั้นให้ทาให้ตามรู้จักให้ทันว่ากำหนดลมเข้าออกกำหนดว่าพุโทโธพุธโทโธเอาไว้เท่านี้แหละไม่ให้คิดไปไหนทางนั้นในเวลานี้ให้มีความรู้อยู่อย่างนี้ทาอยู่อย่างนี้ให้เรียนอยู่ท่านี้แหละให้ทาไปทาไปอย่างนี้แหละจะนึกว่าทาอยู่นี่ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ให้ทำไปไม่เห็นก็ให้ทำไปให้ทำไปอยู่นั่นแหละแล้วเราจะรู้จักมันเอาละนะทีนี้ลองทำดูถ้าเรานั่งอย่างนี้แล้วมันรู้เรื่องใจมันจะพอดีพอดีพอจิตสงบแล้วมันก็รู้เรื่องของมันเองหรอกต่อให้นั่งตลอดคืนจนสว่างก็จะไม่รู้สึกว่านั่งเพราะมันเพลิน พอเป็นอย่างนี้ทำได้ดีแล้วอาจจะอยากเทศให้หมู่พวกฟังจนคับวัดคับว่าไปก็ได้มันเป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนอย่างตอนที่พ่อสางเป็นพ่าขาวคืนหนึ่งเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเกิดแตกฉานขึ้นมาอยากเทศเทศไม่จบเราได้ยินเสียงนั่งฟังเสียงเทศหู้หู้หู้อยู่ที่กอไผนนก็นึกว่านั่นผู้ใดานาเทศกันกับใครหรือว่าใครมานั่งบนอะไรอยู่ ไม่หยุดสักทีก็เลยถือไฟฉายลงไปดูใช่แล้วผ้าขาวสางมีตะเกียงจุดนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้กอไผ่เทศเสยจนฟังไม่ทันก็เรียกสางเจ้าเป็นบ้าหรือเขาก็ตอบผมไม่รู้เป็นยังไงมันอยากเทศนั่งก็ต้องเทศเดินก็ต้องเทศไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ไหนไอ้เราก็นึกว่าเออ คนเนี่ยนะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเป็นไปได้สารพัดอย่างฉะนั้นให้ทำอย่าหยุดอย่าปล่อยไปตามอารมณ์ให้ฝืนทำไปถึงจะขี้คร้านก็ให้ทำจะขยันก็ให้ทาจะนั่งก็ทำจะเดินก็ทำเมื่อจะนอนก็ให้กำหนดลมหายใจว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาความสุขในการนอนสอนจิตไว้อย่างนี้พอรู้สึกตัวตื่นก็ให้ลุกขึ้นมาทาความเพียรต่อไป เวลาจะกินก็ให้บอกว่าข้าพเจ้าจะบริโภคอาหารนี้ไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาแต่เพื่อเป็นยาปัมัะเพื่อความอยู่รอดในมื้อหนึ่งวันหนึ่งเพื่อให้ประกอบความเพียนได้เท่านั้นเวลาจะนอนก็สอนมันเวลาฉันจังหันก็สอนมันให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจะยืนก็ให้รู้สึกจะนอนก็ให้รู้สึกจะทาอะไรสารพัดอย่างก็ให้ทาอย่างนั้น เวลาจะนอนให้นอนตะแคงข้างขวากาหนดอยู่ที่ลมหายใจพุโทโธพุธโทโธจนกว่าจะหลับครั้นตื่นก็เหมือนมีพุโทโธอยู่ไม่ได้ขาดตอนเลยจึงจะเป็นความสงบเกิดขึ้นมามันเป็นสติอยู่ตลอดเวลาอย่าไปมองดูผู้อื่นอย่าไปเอาเรื่องของผู้อื่นให้เอาแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นการนั่งสมาธินั้นนั่งให้ตัวตรงอย่างเงยหน้ามากไป อย่าก้มหน้าเกินไปเอาขนาดพอดีเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละมันจึงสว่างสวัยดีครั้นจะเปลี่ยนอิริยาบทก็ให้อดทนจนสุดขีดซะก่อนปวดก็ให้ปวดไปอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอย่าคิดว่าบะไม่ไหวแล้วพักก่อนเถอะหน้าอดทนมันจนปวดถึงขนาดซะก่อนพอมันถึงขนาดแล้วก็ให้ทนต่อไปอีกทนไปทนไปจนมันไม่มีแก่ใจจะว่าพุทโธ เมื่อไม่ว่าพุทธโธก็เอาตรงที่มันเจ็บนั่นแหละมาแทนอุ๊ยเจ็บเจ็บแท้เจ็บแท้น้อเอาเจ็บนั่นมาเป็นอารมณ์แทนพุทธโธก็ได้กําหนดให้ติดต่อกันไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยดูซิว่าเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าทันว่ามันเจ็บเองมันก็หายเองให้มันตายไปก็อย่าเลิกบางครั้งเหงื่อแตกเม็ดโปง้งๆเท่ากับเม็ดข้าวโพด ไหลย้อยมาตามอกครั้นทำจนมันได้ข้ามเวทนาอันหนึ่งแล้วมันก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละให้ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่าเร่งรัดตัวเองเกินไปให้ค่อยทำไปค่อยทำไปฉันจังหันอยู่ก็ให้รู้จักเมื่อเคี้ยวกลืนลงไปนะมันลงไปถึงไหนอาหารที่แสลงโรคมันผิดหรือถูกกับาธาตุขันก็รู้จักหมดฉันจังหันก็ลองกะดู ฉันไปฉันไปกะดูว่าอีกสักห้าคำจะอิ่มก็ให้หยุดซะแล้วดื่มน้ำเข้าไปก็จะอิ่มพอดีลองทาดูซิว่าจะทาได้หรือไม่แต่คนเรามันไม่เป็นอย่างนั้นพอจะอิ่มก็ว่าเติมอีกสักห้าคำเถอะมันว่าไปอย่างนั้นมันไม่รู้จักสอนตัวเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ฉันไปกำหนดดูไปถ้าพออีกสักง้าคาจะอิ่มก็หยุดดื่มน้าเข้าไป มันก็จะพอดีจะไปเดินไปนั่งมันก็ไม่หนักตัวภาวนาก็ดีขึ้นแต่คนเรามันไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะอิ่มเต็มที่แล้วยังเติมเข้าไปอีกห้าคำมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของกิเลสตัณหากับเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันไปคนละทางถ้าคนที่ไม่ต้องการฝึกจริงๆแล้วก็จะทำไม่ได้ขอให้เฝ้าดูตนเองไปเถิดทีนี้เรื่องนอนก็ให้ระวัง มันขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องรู้จักอุบายของมันบางครั้งอาจจะนอนไม่เป็นเวลานอนหัวค่ําบ้างนอนสายบ้างแต่ลองเอาอย่างนี้จะนอนดึกนอนหัวค่าก็ช่างมันแต่ให้นอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอรู้สึกตัวตื่นให้ลุกขึ้นทันทีอย่ามัวเสียดายการนอนเอาเท่านั้นเอาครั้งเดียวจะนอนมากนอนน้อยก็เอาครั้งเดียวให้ตั้งใจไว้ว่าพอรู้สึกตัวตื่นถึงนอนไม่อิ่มก็ลุกขึ้นไปล้างหน้า แล้วก็เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิไปเลยให้รู้จักฝึกตัวเองอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่จะรู้เพราะคนอื่นบอกจะรู้ได้เพราะการฝึกการปฏิบัติการกระทำจึงให้ทำไปเลยเรื่องทำจิตนี้เป็นเรื่องแรกท่านเรียกว่าทำกรรมฐานเวลานั่งให้จิตมีอารมณ์เดียวเท่านั้นให้อยู่กับลมเข้าลมออกแล้วจิตก็จะค่อยสงบไปเรื่อยถ้าจิตวุ่นวายก็จะมีหลายอารมณ์ เช่นพอนั่งปุ๊บโน่นคิดไปบ้านโน้นบ้านก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบวชใหม่ๆมันหิวอ่ะนะอยากกินข้าวกินน้ําคิดไปทั่วหิวโน่นอยากนี่สารพัดอย่างนั่นแหละมันเป็นมันเป็นบ้าจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเอาชนะมันได้เมื่อไหร่ก็หายเมื่อ น, นั้นให้ทําไปเถอะเคยเดินจงกรมบ้างไหมเป็นยังไงขณะที่เดิน จิตกระเจิดกระเจิงไปหรือก็หยุดมันสิให้มันกลับมาถ้ามันไปบ่อยๆก็อย่าหายใจกลั้นใจเข้าพอใจจะขาดมันก็ต้องกลับมาเองไม่ว่ามันจะเก่งปานใดนั่งให้มันคิดทั่วทิศทั่วแดนดูเถอะกลั้นใจเอาไว้อย่าหยุดลองดูพอใจจะขาดมันก็กลับมาจงทําใจให้มีกําลังการฝึกจิตไม่เหมือนฝึกสัตว์จิตนี่เป็นของฝึกยากแท้แท อย่าไปท้อถอยง่ายๆถ้ามันคิดไปทั่วทิศก็กลั้นใจมันไว้พอใจมันจะขาดมันก็คิดอะไรไม่ออกมันก็วิ่งกลับมาเองให้ทําไปเถอะในพรรษาเนี้ยทําให้มันรู้เรื่องกลางวันก็ช่างกลางคืนก็ตามให้ทําไปแม้จะมีเวลาสักสิบนาทีก็ทำกําหนดทําไปเรื่อยๆให้ใจมันจดจอ่อให้มีความรู้สึกอยู่เสมออยากจะพูดอะไรก็อย่าพูดหรือกําลังพูดก็ให้หยุด ให้ทําอันนี้ให้ติดต่อกันไว้เหมือนอย่างกับน้ําในขวดนี่แหละเมื่อเรารินมันทีละน้อยมันก็จะหยดนิดนิ บ, นบพอเราเร่งรินให้เร็วขึ้นมันก็จะไหลติดต่อเป็นสายน้ําเดียวกันไม่ขาดตอนเป็นหยดเหมือนเวลาที่เรารินทีละน้อยทีละน้อยสติของเราก็เหมือนกันถ้าเราเร่งมันเข้าคือปฏิบัติให้สม่ําเสมอแล้ว มันก็จะติดต่อกันเป็นสายน้ำไม่เป็นน้ำหยดหมายความว่าไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนความรู้อันนี้มันไม่ขาดจากกันมันจะไหลติดต่อกันเป็นสายน้ำการปฏิบัติจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันคิดนั่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไม่ติดต่อกันมันจะคิดไปไหนก็ช่างมันให้เราพยายามทาให้เรื่อยเข้าไว้แล้วมันก็จะเหมือนหยดหน้า มันจะทําความห่างให้ถี่ครั้งถี่เข้าถี่เข้ามันก็จะติดกันเป็นสายน้ําทีนี้ความรู้ของเราก็จะเป็นความรู้รอบจะยืนก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตา ม, จ ะ, นนตามจะเดินก็ตามไม่ว่าจะทําอะไรสารพัดอย่างมันก็มีความรู้อันนี้รักษาอยู่ไปทําเสียแต่เดี๋ยวนี้นะให้ลองไปทําดูแต่อย่าไปเร่งให้มันเร็วนักละ่ะถ้ามัวนั่งแต่คอยดูว่า มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มันไม่ได้เรื่องหรอกแต่ให้ระวังด้วยนะว่าตั้งใจมากเกินไปก็ไม่เป็นไม่ตั้งใจเลยก็ไม่เป็นแต่บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิหรอกเมื่อเสร็จงานก็นั่งทำจิตให้ว่างๆมันก็พอดีขึ้นมาปั๊บดีเลยสงบง่ายอย่างนี้ก็มีถ้าทำให้มันถูกเรื่อง ฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่สักนิดบางทีสิ่งที่เราเข้าใจว่าผิดแต่มันถูกก็มีสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกอาจจะผิดก็มีเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันมืดไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายนั้นจิตของเราเอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะจิตเราไม่รู้ตามความเป็นจริงจึงเอาเป็นประมาณไม่ได้ การฟังธรรมะอย่างวันนี้เหมือนกันบางคนก็ไม่อยากจะรับฟังเลยบางคนก็อยากจะรับฟังอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปรักถ้าเป็นนักปราักแล้วฟังธรรมได้ทุกอย่างจึงว่าความคิดของเรานั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เดี๋ยวชอบอย่างนี้เดี๋ยวไม่ชอบอย่างนั้นบางทีบางอย่างที่เราชอบใจมันผิดจากความจริงก็มีไม่เป็นธรรมก็มีหรือบางทีสิ่งที่เราไม่ชอบใจนั้นมันเป็นแท้จริงก็มี บางทีก็เหมือนกับคนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอถูกคนโกหกเข้าก็เชื่อหมดเขากโกหกว่าอย่างนี้ถูกเราก็เชื่อเพราะเรามันโง่เขาชี้สิ่งที่ถูกว่าผิดเราก็เชื่อเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เป็นตัวของตัวไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเหมือนจิตของเราทุกวันนี้แหละถูกอารมณ์โกหกอยู่เรื่อยบางทีก็ชอบอย่างนั้นบางทีก็ไม่ชอบอย่างนี้ ูกโกหกอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงของมันมันก็โกโหกอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าเราผู้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปเถิดธรรมนั้นจะชอบใจเราหรือไม่ชอบใจเราเราก็ควรฟังคนที่ฟังธรรมอย่างนี้ได้ประโยชน์เพราะว่าความจริงที่พระท่านเทศให้ฟังหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ฟังนั้นเราจะเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เราต้องอยู่ที่ครึ่งครึ่งกลางๆงนี้ ไม่ได้ประมาทว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ฟังของเราไปแล้วเอาไปพิจารณาให้มันเกิดเหตุผลในทางที่ชอบขึ้นมานักปราดทั้งหลายไม่ควรเชื่อง่ายๆควรเอาไปพิจารณาตริตรองดูเหตุผลก่อนจึงค่อยเชื่อแม้จะพูดความจริงให้ฟังก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะอะไร เพราะเรายังไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั้นด้วยตนเองพวกเราทุกคนก็เหมือนกันรวมทั้งเราด้วยเราเคยปฏิบัติมาก่อนท่านก็เคยถูกโกหกมาแล้วว่าการปฏิบัตินี้มันลำบากมากหลายทำไมมันจึงลำบากก็เพราะเราคิดไม่ถูกต้องนั่นเองมันเป็นมิจฉาทิฐิเราคิดไม่ถูก แต่ก่อนเคยอยู่กับพวกพระมากเราก็ไม่สบายรวนเรหนีไปตามป่าตามเขาหนีจากพวกจากเพื่อนเห็นไปว่าภิกษุสามนเณนรก็ไม่เหมือนใจเราปฏิบัติไม่เก่งเหมือนเรามีความประมาทคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งให้เราวุ่นวายเป็นเหตุให้หนีไปเรื่อยๆไปอยู่องค์เดียวก็มีสององค์ก็มีก็ไม่มีความสบาย ไปอยู่องค์เดียวก็ไม่สบายไปอยู่หลายองค์ก็ไม่สบายไปอยู่ที่เอกลาบมากเยอะแยะก็ไม่สบายไปอยู่ที่เอกลาบไม่มากไม่น้อยก็ไม่สบายความไม่สบายเนี่ยเราก็นึกว่ามันเป็นเพราะเพื่อนเป็นเพราะอารมณ์เป็นเพราะที่อยู่เป็นเพราะอาหารเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะนั่นเพราะนี่เราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้น เราก็สแสวงหาไปตามเรื่องของเราเรื่อยๆแต่ก่อนเป็นพระทุดงทุดงไปแล้วก็ไม่สบายภัฒนาไปพิจารณาไปทําอย่างไรจรึงจะสบายเนอพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่มากคนก็ไม่สบายอยู่อากาศเย็นก็ไม่สบายอากาศร้อนก็ไม่สบายเพราะอะไรหนอ ไม่เห็นเสีแล้วทำไมมันจึงไม่สบายก็เพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเพราะตัวเรานี้ยังยึงยดทำอันมีพิษอยู่นั่นเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีอยู่เรื่อยไปมันไปให้โทษคนอื่นเขามันไปให้โทษอากาศมันไปให้โทษความร้อนมันไปให้โทษความเย็นมันไปให้โทษสารพัดอย่างเหมือนกับหมาบ้า หมาบ้ามันเห็นอะไรมันก็กัดเพราะมันเป็นบ้าเป็นเช่นนี้แหละฉะนั้นพวกเราทั้งหลายปฏิบัติจึงมีจิตกระสับกระส่ายอยู่เรื่อยไปวันนี้สบายพรุ่งนี้ไม่สบายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้เรื่อยไปไม่ได้ความสบายไม่ได้ความสงบมันนึกถึงพระพุทธเจ้าขั้นประทับอยู่ที่แห่งหนึ่ง ประชุมพระภิกษุสงฆ์ตอนบ่ายตอนเย็นท่านเห็นหมาป่าตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากป่ามายืนอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปในโพรงไม้เข้าไปอยู่ในโพรงไม้สักประเดี๋ยวก็วิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปอยู่ใน่านประเดี๋ยวก็วิ่งออกมาเดี๋ยวก็ยืนอยู่เดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ลุกเพราะหมาป่าตัวนั้นเป็นขี้เรื้อนมันเป็นโรคเรื้อน ยืนอยู่ก็ถูกตัวเรื้อนมันชัยกินเนื้อกินหนังมันยืนอยู่ประเดี๋ยวก็ไม่สบายวิ่งไปไม่สบายก็หยุดอยู่หยุดอยู่ไม่สบายก็นอนนอนอยู่ไม่สบายก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็เข้าไปในพุ่มไม้ไปนอนอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็วิ่งหนีว่าพุ่มไม้นั้นไม่ดีแล้วก็เข้าไปในโพรงไม้สักพักหนึ่งตัวขี้เรือนมันก็ชัยกินเนื้อกินหนังมันอยู่เรื่อยแล้วก็ลุกไปอีกวิ่งเข้าไปในถ้า พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภิกสุททั้งหลายท่านเห็นไม่ว่าเมื่อตอนเย็นวันนี้หมาป่าตัวหนึ่งมันเดินอยู่ที่นี่เห็นไหมมันจะยืนอยู่มันก็เป็นทุกข์มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์มันจะเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้ก็เป็นทุกข์เข้าไปในโพรงไม้มันก็เป็นทุกข์จะเข้าไปอยู่ในถ้าก็ไม่สบาย มันก็เป็นทุกข์เพราะมันเห็นว่าการยืนอยู่นี้ไม่ดีการนั่งไม่ดีการนอนไม่ดีพุ่มไม้นี้ไม่ดีโปรงไม้นี้ไม่ดีถ้ำนี้ไม่ดีมันก็วิ่งอยู่ตลอดเวลานั้นความเป็นจริงหมาป่าตัวนั้นมันเป็นขี้เรื้อนมันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้หรือโปรงไม้หรือถ้ำหรือการยืน noise, การเดินการนั่งการนอนมันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรื้อน รัะภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกันความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดที่มีอยู่ไปยึดธรรมที่มีผิดไว้มันก็เดือดร้อนไม่สำรวมสังวรอินมสีทั้งหลายแล้วก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของเองไปอยู่วัดหนองป่าพงก็ไม่สบายไปอยู่อเมริกาก็ไม่สบายไปอยู่กรุงลอนดอนก็ไม่สบายไปอยู่วัดป่าบุงหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกๆสาขาก็ไม่สบาย ที่ไหนก็ไม่สบายนี่ก็คือความเห็นผิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั่นเองมีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมอันมีพิษไว้ในใจของเราอยู่อยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นนั่นคือเหมือนกันกันกบสุ น, นัขนั้นถ้าหากโรคเรื้อนมันหายแล้วมันจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายอยู่กลางแจ้งมันก็สบายอยู่ในป่ามันก็สบายอย่างนี้เรานึกอยู่บ่อย แล้วเราก็นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่เรื่อยเพราะทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากพระภิกษุทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าหากเรามารู้จักอารมณ์ตามความเป็นจริงเสี็แล้วมันก็จะสบายจะมีความหนาวบ้างมันก็สบายอยู่ที่คนมากก็สบายอยู่ที่คนน้อยก็สบายความสบายหรือไม่สบายไม่ได้อยู่ที่คนมากคนน้อย มันอยู่ที่ความเห็นถูกเท่านั้นถ้ามีความเห็นถูกขึ้นในใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนี้เพราะเรายังมีความเห็นผิดอยู่ยังยึดทำอันมีพิษอยู่และมันก็ไม่สบายที่เรายึดอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับตัวหนอนนั่นแหละที่อยู่ของมันก็สกรปรกอาหารของมันก็สกรปรกที่อยู่และอาหารของมันไม่ดีทั้งนั้นมันไม่สมควรแต่ว่ามันสมควรกับหนอน ลองเอาไม้ไปเขี่ยมันออกจากมูดลองเอาไม้ไปเขี่ยมันออกจากคูดดูสิตัวหนอนนั้นมันจะดิ้นกระเสือกระสนไปทีเดียวมันจะดิ้นมาหากองคูดอย่างเก่ามันจึงสบายอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เราภิกษุสามเณรเราทั้งหลายนั้นยังมีความเห็นผิดอยู่ครูบาอาจารย์มาแนะนําให้เห็นถูกมันก็ไม่สบายใจมันวิ่งไปหากองคูดอยู่เรื่อยๆมันไม่สบายเพราะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของมันเมื่อหนอนนั้นมันยังมองไม่เห็นความสขกปรกอยู่ในนั้นเมื่อ น, นั้นมันก็ออกไม่ได้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าไม่เห็นโทษทั้งหลายในสิ่งเหล่านั้นมันก็ออกไม่ได้ปฏิบัติ มันก็ยากลำบากฉะนั้นจงฟังไม่มีอันใดอื่นการปฏิบัตินั้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้องดีแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายอันนี้เคยปฏิบัติมาแล้วเคยพบมาแล้วถ้าหากมันยังไม่รู้จักอย่างทุกวันนี้มีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมีอะไรหลายหลายอยา่างอย่างทุกวันนี้ เราก็ตายแล้วถ้ามันมีความเห็นผิดอยู่มันก็ตายแล้วเราเห็นว่าที่อยู่ของพระเรานั้นอยู่ที่มันเยือกเย็นก็คือความเห็นถูกต้องนั่นเองเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นถูกเห็นชอบแล้วมันก็สบายมีความสงบพวกเราทั้งหลายอย่าไปค้นอย่างอื่นเลยฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ก็ช่างมันเถอะทุกข์นั้นมันก็ไม่แน่หรอก ใครว่าเห็นทุกมันเป็นตัวไหมมันมีทุกเกิดขึ้นมาตัวทุกคืออะไรมีไหมใครเห็นทุกไหมเห็นตัวทุกไหมเห็นมันจริงจังไหมเราไม่เห็นว่ามันจริงจังมันอะไรทุกมันก็คือความรู้สึกวูบเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วสุกก็เหมือนกันฉันนั้นตัวสุกสุกจริงจิงมันมีให้เห็นไหมของจริงมีไหมมันก็สักแต่ว่าความรู้สึกวูบหนึ่งแล้วก็หายไป เกิดแล้วมันก็ดับไปอย่างความรักของเราเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วมันก็หายไปอีกตัวรักตัวเกลียดตัวชังจริงๆไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนความเป็นจริงก็คือมันไม่มีตัวไม่มีตนมันสักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็หายไปมันหลอกลวงเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเอาแน่ตรงไหนไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมา สมกับคําที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีอะไรนอกนั้นมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทุกข์นั้นก็ตั้งอยู่เมื่อทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาแล้วสุขก็ตั้งอยู่เมื่อสุขตั้งอยู่แล้วสุขก็ดับไปเมื่อสุขดับไปแล้วทุกข์เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผลที่สุดก็มารวมเป็นอันเดียวว่านอกจากทุกข์นี้เกิด นอกจากทุกนี้ตั้งอยู่นอกจากทุกนี้ดับไปแล้วไม่มีอะไรมีแต่เท่านี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้มันมีเท่านี้มันมีเท่านี้แต่เราก็เป็นคนหลงวิ่งตะครุบมันเรื่อยไปก็ไม่พบความจริงว่าอันนี้มันเป็นความจริงไหมมันก็ไม่จริงอีกแล้วอันนั้นมันจริงไหมก็ไม่จริงอีกนั่นแหละมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนเปลี่ยนของมันอยู่อย่างนั้นถ้ามาพิจารณาแล้วก็ไม่คววิ่งไปกับมันฉะนั้นเมื่อเรารู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนคิดมากแต่เป็นคนมีปัญญามากถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็คิดมากกว่าปัญญาบางทีปัญญาไม่มีเลยมีแต่ความคิดความคิดมากแต่ปัญญาไม่มีก็ยิ่งทุกข์มาก มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นโทษจริงๆแล้วเราจึงถอนตัวออกมาได้ถ้าเราไม่เห็นโทษจริงๆแล้วเราก็ถอนตัวออกไม่ได้ทุกอย่างนั่นแหละอาการใดที่เราไม่เห็นประโยชน์จริงๆแล้วมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราเห็นประโยชน์มันจริงจังแล้วเราก็ทำได้เป็นของไม่ยากฉันนั้น อันนี้พูดเรื่องเฉพาะในหลักบริหารจิตเราทุกคนก็ให้ทำใจให้ดีทำใจให้อดทนเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเราตัดไม้สักท่อนหนึ่งเอาทิ้งลงในคลองแล้วมันก็ไหลไปตามน้ำในคลองนั้นถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุไม่เน่าไม่พังมันก็ไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้มันจะไหลไปตามคลองอยู่เรื่อยไป เชื่อแน่ว่าจะต้องถึงทะเลใหญ่เป็นที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันฉั น, นั้นพวกท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเดินไปตามมักที่พระองค์ทรงสอนเดินไปตามกระแสให้มันถูกต้องให้มันพ้นจากสิ่งทั้งสองสิ่งทั้งสองอย่างนั้นคืออะไร คือสองข้างที่พระพุทธเจ้าของเราตัดอันไม่ใช่ทางของสมณะที่จะคิดไปที่จะเอาจริงเอาจังกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือกามาสุขันลิกานุโยโครประการหนึ่งกับอัตตะกินลัมมถานุโยโคอีกประการหนึ่งอันนี้แหละเรียกว่าฝั่งฝั่งทั้งสองข้างฝั่งของคลองของแม่น้ำ ท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามคลองตามกระแสน้ำก็คือจิตของเราที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ว่าที่ว่าท่อนไม้เมื่อไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้แล้วท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ปูไม่พังที่สุดของท่อนไม้นั้นมันก็ไหลลงทะเล ถ้ามันไปติดอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้หรือมันไปผูกไปพังเสร็แล้วมันก็ไปไม่ถึงทะเลใหญ่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายนี้พวกเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็ดีฝั่งคลองคือความชังหรือความรักหรือฝั่งหนึ่งก็คือสุขอีกฝั่งหนึ่งก็คือทุกข์ท่อนไม้ก็คือจิตของเรานี่เองมันจะไหลไปตามกระแสแห่ง น, น้ำ มันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเราถึงกระแสะแห่งพระนิพพานคือความสงบระงับให้เราเห็นว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทุกนั้นก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมาสุขนั้นก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่ไปติดในความรักไม่ติดในความชังไม่ติดในความสุขไม่ติดในความทุกเท่านั้นก็เรียกว่าเราเดินตามกระแสธรรมของสมณะที่เราปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเจริญมาแล้วถูกมาแล้วพบมาแล้วท่านจึงได้มาสอนเราให้เห็นความรักใหเห็นความชังใหเห็นความสุข ให้เห็นความทุกข์ว่ามันเป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามมันตั้งของมันอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่ตลอดกาลมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อจิตของผู้ฉลาดแล้วไม่ตามไปส่งเสริมมันไม่ตามไปเยือนยอมัน ไม่ตามไปยึดมั่นมันไม่ตามไปถือมั่นมันมันก็มีจิตอันปล่อยวางทำไปเท่านั้นแหละให้สม่ำเสมอมันก็เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิบัติปฏิบัติถูกทางเหมือนท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามกระแสน้ำมันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นและไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันไม่ปูไม่พังมันไม่เนา่ามันไปถึงทะเลจนได้ เราทมเราประพฤติปฏิบัติถ้าเว้นจากทางทั้งสองอย่างแล้วคือกามสุขันหรกานุโยโคและอัตตากิละมถานุโยโคแล้วมันก็ถึงความสงบแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น